8. สา ร, รมิกะวรค 8. อุปตัสสติสิกขาบทว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะ ก, กันเรื่องภิกษุชัวพัี 469. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชัวพกีทะเลาอะอ ก, กับภิกษุผู้มีศีลดีงาม พวกพิสูผู้มีศีลดีงามกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกพิสูจชาวพืีไม่มีความละอายพวกเราไม่อาจทะเลาะกับภิกษุพวกนี้พวกพิสูจชาวพคีกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเหตุอะรพวกท่านจึงกล่าวหาพวกเราว่าไม่มีความละอายภิกษุผู้มีศีลดีงามท่านทั้งหลายพวกท่านได้ยินมาจากที่ไหนพวกพิสูจชาวพค้นี่ตอบว่าพวกเรายืนแอบฟังพวกท่านบรรดาภิกษุผู้มักน้อย พากันตำหนิประนามพนธนาว่าไะนผู้พิสูจนุชาวบัคีจึงยืนแอบฟังพวกพิสูจผู้บาทหมางทะเลาะวิวาทกันเล่าครั้นพิสูจทตั้งหลายตำหนีผู้พิสุจชาบคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ